สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่สิบสองเรื่องปัญญากับชีวิตคดคๆพี่น้องครับพ่อจะนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สองข้อสิบจนถึงข้อที่สิบห้าโปรดฟังพ่อจะนะของพระเจ้า เพราะปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตของเจ้าความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้าไว้และความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้ช่วยให้เจ้าพ้นจากทางแห่งคนชั่วร้ายและจากคนที่พูดตลบตะแสดงผู้ทอดทิ้งวิถีแห่งความเที่ยงธรรมเพื่อเดินในทางแห่งความมืดผู้เปรี่ยนปรีในการกระทาความชั่วร้าย และปิติยินดีในการนั้นคือคนที่วิถีชีวิตของเขาล้วนแต่คดเคี้ยวทั้งสิน้นพหนครับหกข้อนี้นะครับตั้งแต่ข้อที่สิบจนถึงข้อที่สิบห้านั้นสองข้อครึ่งนะครับก็พูดถึงเรื่องของปัญญานะครับส่วนอีกสามข้อครึ่งรวมกันเป็นหกข้อนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของความคดเคี้ยวหรือชีวิตคดๆนั่นเอง ในเชาวันนี้เราจะดูกันครับว่าปัญญากับชีวิตกคตนั้นเป็นอย่างไรก่อนอื่นผมขอทบทวนของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเรารู้ว่าในวรรณกรรมภาษาฮีบรูและพระธรรมสุภาษิตนี้เราเห็นถึงความคิดของผู้เขียนก็คือว่าในที่สุดแล้วเมื่อมนุษย์แสวงหาปัญญามนุษย์จะพบปัญญาที่แท้จริงก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้า เรารู้ว่าพร ะ, พระยาเวหรือพระเยโฮวานั้นเป็นที่มาของปัญญาคนเรานั้นจะสามารถฉลาดได้อย่าง แ, ท, แท้จริงและมีประสบการณ์ถึงพระพรของการที่เขาได้มาซึ่งปัญญาและความเฉลียวฉลา ด, ลาดชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่จะเป็นพรชีวิตที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาในโลกนี้ก็คือเขาได้เจอกับปัญญาครับ และสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไม่เพียงแต่เขาจะรู้เรื่องปัญญาเท่านั้นแต่เขาจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระปัญญาด้วยในวันนี้นั้นผมจะขอพูดถึงเรื่องของการที่ปัญญาจะเข้ามาในใจของคนที่รับปัญญาคนที่เปิดใจต้อนรับปัญญาปัญญาจะเข้ามาภาษาอังกฤษใช้คาว่า enter enter in their heart เข้ามาครับเหมือนกับเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของเราประทานทางที่ตรงไม่ใช่ชีวิตขดๆในขณะเียกันครับความรู้ก็จะทําให้ชีวิตของคนที่มีปัญญาและมีความเข้าใจนั้นก็มีความร่มรื่นมีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขมีความเพลิดเพลินปัญญานั้นทําให้เรานั้นมีความสุขสบายครับ และในข้อที่11เอก็ได้บอกว่าความฉเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้าเจ้าและความเข้าใจจะระแวดระวังเจ้าไว้เพียงครับเรามีคนที่คอยดูแลเรานั่นก็คือพระปัญญานั่นเองหรือปัญญาที่เข้ามาอยู่ในใจของเรานะก็ここจะช่วยดูแลเราจะช่วยให้เราพ้นจากซึ่งชั่วร้ายทุกอย่างนี่คือข้อได้เปรียบของคนที่มีปัญญาคนที่มีปัญญาเป็นคนที่มีปัญญาและเป็นเจ้าของปัญญานั้น นะครับ ค, คือองค์พระบุญเป็นเจ้าและพระองค์ประทานให้กับเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์ที่เปิดใจต้อนรับปัญญาเพราะฉะนั้นการมีสติ ป, ปัญญาและความรู้นั้นก็จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยได้เปรียบมากมายครับในชีวิตเพราะว่าเขานั้นมีความเข้าใจและเขานั้นมีดุลพินิจพี่น้องครับในข้อที่สิบเอ็ดนะครับคําว่าดุลพินิจนั้นเราไม่พบแต่เราพบคําว่าความเฉลียวฉลาดนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า discretion discretion นั่นแปลว่าดุลพินิษนั่นหมายความว่าเราสามารถแยกแยะได้ครับและเรารู้ว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราแยกแยะได้ระหว่างความดีกับความชั่วนะครับเราก็รู้ว่าอะไรเป็นของโลกนี้อะไรเป็นของสวรรค์และเรารู้ว่าสิ่งที่มาจากสวรรค์นั่นก็คือการเปิดเผยสำแดงขององค์พระบุญเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์และตัวพระองค์เองนั้นรงเป็นความจริงและเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นการที่เรามีปัญญาอยู่ในตัวของเราเท่ากับมี พระเยซูอ ย, อ, อ, ญญยอยู่ในตัวของเราหรือเท่ากับมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำความรู้บวกกับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าทำให้เราสามารถที่จะรักษาตัวเองปกป้องตัวเองไม่ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆพ้นจากความผิดความบาปทั้งหลายเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับปัญหาชีวิตทุกอย่างนั้นเราสามารถพบได้จากพระเจของพระเจ้าครับและที่นี่บอกว่า ปัญญาจะเข้ามาในใจของเราความเฉลียวฉลาดความรอบรู้จะเข้ามาในใจของเราคำว่าใจนั้นก็มีความหมายนะครับคู่ขนานกับคำว่าวิญญาณที่นี่เราเห็นนะครับว่าในข้อสิบนั้นพูดถึงเรื่องใจครับปัญญาจะเข้ามาในใจแต่ในข้อที่สิบตอนปลายนั้นบอกว่าความรู้จะไปที่ร่มรื่นแก่วิญญาณจิตแสดงว่าคำคู่ขนานนี้ก็คือใจฮ e และก็วิญญาณจิตก็คือโซ ฮาร์ดกับโซนั้นไม่เหมือนกันแตกต่างกันเล็กน้อยครับฮาร์ดนั้นก็มีความหมายถึงความคิดความรู้สึกและมีความหมายเรื่องของจิตนะครับจิตที่เป็นจิตสํานึกและในขณะเดียวกันก็คือจิตใต้สํานึกเช่นเดียวกันแต่คําว่าโซนั้น ม, มีความหมายรวมถึงวิญ ญ, ญาณด้วยวิ ญ, ญญาณคือส่วนของมนุษย์หรือส่วนประกอบของมนุษย์หรือองค์ประกอบของมนุษย์ส่วนหนึ่งที่ใช้ติดต่อกับพระเจ้าครับใช้เป็นที่ที่พระเจ้าจะทรง เสด็จเข้ามาในชีวิตของเขานั่นคือผ่านทางวิญญาณจิตพี่น้องครับเราคงจะจําได้นะครับขณะที่อาดัมเอวาพระเจ้าปั้นเขาขึ้นมาในที่สุดแล้วพระเจ้าก็ระบายลมปราณหรือระบายลมหายใจของพระองค์เข้ามามนุษย์จึงเป็นผู้ที่มีชีวิตและชีวิตตรงนั้นแหละครับเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครับก็คือร่างกายจิตใจและจิตวิญ ญ, ญาณได้หมายความว่าร่างกายคือฟิสิ i c a นะครับจิตใจก็คือฮ e a r t จิตวิญญาณก็คือโซลเพราะฉะนั้นหลายหายคนก็บอกว่ามนุษย์แบ่งเป็นสามองค์ประกอบหรือสามส่วนครับแต่บางทฤษฎีก็พูดถึงว่ามนุษย์นั้นแบ่งเป็นสองส่วนก็คือฟิสิกอลกายภาพครับและจิตภาพก็คือโซลนั่นเองนี่ครับเราจะผ่านประเด็นนี้ไปครับเพื่อที่เราจะรู้จักปัญญามากขึ้นเพราะว่าปัญญานั้นจะเข้ามาในใจของเราและจะสร้างความร่มรื่นร่มเย็นสร้างความชื่นชมยินดีให้กับวิญญาณจิตของเราและในขันดิษฐานครับในข้อสิบแปดได้บอกว่าปัญญานั้นจะคอย โปรเทคหรือคอยเฝ้าละแวกระหวังป้องกันนะครับชีวิตของพวกเราพี่น้องครับตรงนี้นี่เองเนี่ยทาให้เรารู้ว่าทางของปัญญานั้นก็นําไปสู่ความสว่างนะครับทางของปัญญานั้นนําไปสู่ความสว่างในข้อสิบสองครับบอกว่าช่วยเราให้พ้นจากคนชั่วร้ายเห็นไหมครับและจากคนที่พูดตลบตะแลงพี่น้องครับคําว่าชั่วร้ายนะครับก็คู่ขนานกับคําว่าตลบตะแลง ภาษั ง, งกฤจใชคว่า forward F R O W A R D forward ก็คือแปลว่ากลบตระแเลเพียงครับเรารู้นะครับว่าความรู้ในเรื่องพรเจนะของพระเจ้านั้นบวกกับสติปัญญาก็คือการที่เรามีพระวิญาณบริสุทธิ์ก็จะสามารถปกป้องคุ้มครองเรารักษาเราให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายได้รักษาเราให้พ้นจากวิถีของความชั่วร้ายได้เพียงคำหลายครั้งทีเดียวนะครับคาพูดที่ถูกบิดเบือนนะครับ ก็จะเป็นสิ่งที่คนที่ไม่มีหรือคนที่ปฏิเสธพระปัญญานะครับก็จะพูดออกมาก็จะทำอย่างนั้นแล้วเราจะเห็นได้ชัดนะครับใครก็ตามที่มีเป็นคนชอบทำเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะเดินอยู่บนทางของความสว่างเขาเขาจะไม่เดินในมันคาของความมืดแต่เป็นการเดินที่เข้าสู่มันคาแห่งความสว่างก็คือมันคาแห่งชีวิตนั่นเอง เพชีวิตของเขานั้นก็จะไม่มีสามารถคิดทำกับความมืดครับคําว่าสามารถคิดทำกับความมืดทําให้เราได้คิดถึงหรือจําได้ว่าในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่หนึ่งนะครับก็ได้พูดถึงความสว่างและความมืดนะครับหนึ่งย่อนบทที่หนึ่งข้อที่ห้าถึงข้อที่เจ็ดนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกแก่ท่านทั้งหลายถือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ ไม่มีเลยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเองทรงเป็นความสว่างครับและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยและเราจะว่าแต่ถ้าเราจะว่าเราร่วมสามกิจ ธ, ธรรมกับพระองค์และยังดําเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดําเนินชีวิตตามความหวังแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามกิจธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียว ของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากาบาปทั้งสิ้นพี่น้องครับถ้าเราดําเนินชีวิตของตัวเรานั้นอยู่ในความสว่างนะครับเสร็จก็แสดงว่าเราเป็นของพระองค์เราพระองค์ก็เป็นของเราเราร่วมสามาัคคีธรรมกับพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่สําคัญครับนะบเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นคนโง่ครับเพราะคนโง่นั้นชีวิตของเขานั้นก็คดๆ ค, ครับชีวิตของเขาก็ครุกเก็ตนะครับแล้ฟาวเวอร์ ในข้อที่ 14.15 ผมอยากให้พี่น้องฟังซ้ำอีกครั้งนะครับผู้ที่เพลีนเปลีในการกระทําความชั่วร้ายผู้ที่ปิติยินดีในการนั้นคือคนที่วิถีชีวิตของเขาล้วนแต่คดเคี้ยวทั้งสิน้นข้อ13บอกว่าเขาทอดทิ้งวิถีแห่งความเที่ยงธรรมเพื่อเดินอยู่ในทางของความมืดเพื่อนครับความบาปนั้นสนุกใช่ไหมครับเวลาที่คนทํา แต่มานำมาซึ่งความปวดเสียนเวียนเกล้าและนำมาซึ่งปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตนี้ได้มีผลกระทบต่อชีวิตนิรันด์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทางของโลกนี้นะครับก็นำไปถึงการถูกทำลายไม่ใช่การมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นความมัวเมามเมาเหล้านะครับหรือการลงไปในเรื่องอื่นๆเช่นยาเสพติดการผิดศรลธรรมการททั้งหลาย การโกหกหลอกลวงการโกงการขโมยเนี่ยครับคือวิถีคดๆของชีวิตชีวิตคดๆนั้นก็จะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เป็นชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าครับชีวิตของเรานั้นมีพระปัญญาเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราครับ <c oughs> ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเยซูคริสต์นะครับและพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีพระเยซูและเรามีพระชนะของพระเจ้าและสิ่งนี้นะครับสร้างเรา ให้เกิดปัญญาที่มากขึ้นมากเรื่อยๆแต่ปัญญากับความรู้ก็จะทำให้เราทนจากซึ่งชั่วร้ายอาเมน